พวกเราที่ได้มาวัดป่าสุขโตไม่ว่ า, าไม่เป็นไรนั่งตามสบายจะประนมมือหรือไม่ก็ไม่เป็นไรขอให้มีสติตั้งใจฟังพวกเราที่ได้มาวัดป่าสุขโตบางคนก็เพิ่งมา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 หรือถึงจะได้สัมผัสกับความสงบแต่ว่ามันก็จะเป็นความสงบชั่วครู่ชั่ว ย, ยามพอกลับไปกรุงเทพกลับไปที่ทำงานความว้าวุ่นควา ม, มอึ้กระึกครอโคงก็บังเกิดขึ้ น, นถ้าจะแสวงหาอะไรหรือสิ่งเดียวที่มีค่านะก็คือ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 สมัยที่พระเจ้าทรงตัดสรุใหม่ๆเนี่ยก็มีคราวหนึ่งนะพระองค์ได้มีหญิงมีมีหนุ่มนะเคลื่อนมานบกลุ่มหนึ่งนะเดินตามหานางคณิกาเพราะว่าไปจ้างนางคณิกามานะแล้วก็หวังว่าจะได้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 งันพวกเราอุตส่าห์เดินทางกันมาจากที่ไกลไกลบงสีเวลาเป็นเวลาหลายวันเป็นอาทิตย์ถ้าหากว่าจากค้นพบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีค่านสิ่งนั้นคือการค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองสาคัญอย่างไรมันสาคัญมากเพราะมันทำให้เราสามารถจะรักตัวเองได้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 ยุคโชคกุนมันหมดไปเมื่อประมาณส5 0ปีก่อนมีโชกุนอยู่คน2คนที่อายุสั้นมากอายุแค่20กว่าตายเพราะอะไรทราบ น, นะตายเพราะว่าขาดวิตามินบีนะคือเป็นโรคปางนกกระจอกขาดวิตามิน B ก็คือเ้าจะาคงกินไม่คงไม่ได้กินข้าวซ้อมมือนะกินแต่ข้าวขาวเพราะว่าวิตามิน B มันอยู่ในข้าวซ้อมมือ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 รู้จักกินมาตั้งแต่เกิดแต่ก็กินไม่เป็นบางคนกินแต่เนื้อนะเป็นเกาอายุแค่40ก็ตายนะอย่างเศษธีที่เป็นผู้ประทนะัาไมเคิลแอนเจโลเพราะเราคงรู้จักไมเคิลแอนเจโลเขาได้ดีได้ดีเพราะมีผู้ประทัาชื่อลอร e เดนโซเ i ดชเก่งมากนะแต่ว่าอายุสั้นเพราะว่าเป็นเกาตาย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 เป็นนิสัยเนี่ยจะเรียกว่ารักตัวเองได้อย่างไรเรื่องรักตัวเองเนี่ยนะก็เคยมีพัทพจน์นะจัดเอาไว้เรื่องของเรื่องคือว่าประจ้าปเสนท่โกศลเนี่ยนะท่านมีมาเหสีที่เปิดโปรดปานมากชื่อว่านางมริกาเทวี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 ชาวคนที่ประจบประแจงก็จะพูดอย่างนั้นแต่นาเมริกาเทวี TV เป็นคนที่ใส่ทำพูดตรงไม่โกหกพ ร, ระเจ้าปเสนยโกศลได้ฟังก็ที่แท้ก็ไม่พอใจแต่พอนาเมริกาเทวี TV ถามว่าแล้วพ ร, ระเจ้าปเสนยโกศลล่ะรักใครมากที่สุดพ ร, ระเจ้าปเสนยโกศลใครควรก็เพราะเออใช่นะเราก็รักตัวเองมากกว่าใคร วันรุ่งขึ้นพระเจ้าปรเสนทิโกศลก็ไปกลับไปฟาพผูธเจ้าแล้วก็เล่าเรื่องนี้พระเจ้าก็ตริยรับรองนะวพระองค์ก็พูดเป็นภาษิตหรือคาถาว่าเ <c oughs> มื่อตรวจดูด้วยจิตทั่วทุกทิศแล้วไม่พบใครที่ไหนเป็นที่รักยิ่งกว่าตัวเองนคนอื่นก็รักตนเช่นเดียวกันแล้วท่านก็ตัดต่อกอว่า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 ถึงแม้เขาจะยังตามล่าไม่ถึงก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขได้หรือว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์นอนก็สะดุ้งหวาดผวาเพราะกลัวว่าตำรวจจะบบรรมาจับกลัวว่าเขาจะมาล้างแค้นนั่นถ้ารักตัวเองอย่างแท้จริงเนี่ยนะก็จะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนเพื่อนยังไงก็ไม่เบียดเบียนเพื่อนในการรักษาศีล ศีลเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันให้เราเนี่ยไม่ไปเบียดเบียนผูน้อื่นด้วยอํานาจของความโกรธความโลภและความหลงเ้าคนเหลานี้ถ้าปล่อยให้ความโกรธความโลภความหลงครอบงําเนี่ยมันทําผิดศีลได้ทุกข้อเลยนะถ้าโกรธก็ไปผิดศีลข้อที่หนึ่งนะถ้าโลภ ก, ก็ผิดศีลข้อที่สองข้อที่สาม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 แหกโค้งไปชนเสาไฟฟ้าไม่ชนใครนะแต่ตัวเองตายบางทีก็พาคนอื่นตายไปด้วยถึงไม่ตายก็พิกการนะพิการตั้งแต่อายุ20พิการตั้งแต่อายุสิเพราะว่าเมาอันนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเองเพราะความหลงแต่ความโลภและความกลัว ก, ก็เหมือนกันสามารถที่จะ กวากมือเรียกให้ความทุกร้อนนะเข้ามาย่ำยีบีทาชีวิตจิตใจของตัวเองได้เพราะนคนที่ไปขโมยนะทรัพย์สมบัติของผู้อื่นไปย่งชิงคนรักของผู้อื่นคนเหล่านี้เนี่ย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 ไปทำลายพี่น้องยังชิงมรดกรักเงินสามารถทำให้คนบางคนเ่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้เพื่อเจะาทรัพย์สมบัติของพ่อแม่คนอย่างนี้ไม่เรียกว่ารักตัวเองนะเพราะว่าเขากำลังเดินหน้าสู่นรกนะใจที่ทำไปเพราะว่ารักทรัพย์สมบัติมากกว่าบางคน อาจจะไม่ถึงกับไปทำร้ายใครนะแต่ว่าทำร้ายตัวเองตรงๆเลยนะอย่างเช่นบางคนรักแก้วแหวนเงินทองมากพอสายสร้อยหายนะกำไรหายกำไรทองกำไรเงินหายหรือว่าทับทิมมรกฏหายนี่สุดเลยนะมีคุณยายคนนึงอายุเจดกว่าแล้ว ทำมารากดหายปรากฏว่าป่วยหนักเลยด้วยความเสียดายด้วยความเสียใจอย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองอย่างนี้เรียกว่ารักมารากดรกับทัพทิมมากกว่ารักตัวเองเพราะว่าใจนี่ก็ยังยึดมั่นเสด็ดงเสียดา ย, ยาจนกระทั่งปล่อยให้จิตใจ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 ในซอยเปรียวโดนบอกเอาเงินมาเอาสายสอยมาเอาโทรศัพท์มาขัดขืนต่อสู้นะไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปแต่ยอมให้เขานะทำร้ายถึงตายได้หรือว่าถึงกับพิกการอันนี้เราไม่ได้รักตัวเองนะแต่รักทรัพย์สมบัติมากกว่ารับรักโทรศัพท์มากกว่าอันนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยเพราะรักตัวเองไม่เป็น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 ครอบงำจิตใจแล้วก็ชักพาให้ไปในทางที่ผิดหรือว่าก่อความทุกข์แก่ผู้อื่นหรือไม่ก็ซ้ําเติมตัวเองนะคนเราทารักตัวเองแท้จริงนี่ก็ยังไปปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำ น, นะไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดความน้อยเนื้อต่ําใจความรู้สึกผิดนะหรือชื่อเรียกรวมๆกัว่าโลภโกรธหลง เพราะว่าถ้าปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้ครอบงำจิตใจก็เป็นทุกข์ร่างกายก็ไม่เป็นสุขคนที่เอาแต่เฝ้ากังวลอ่วงลูกคนที่เสียดายทรัพย์สมบัติที่หายไปก็กินไม่ได้นาะไม่หลับความดันขึ้นยิ่งคนที่โกรธเกลียดนะเป็นคนโปวดง่ายเอาแต่ถนอมความโกรธ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 เพราะนั้นทารักตัวเองแท้จริงเนี่ยก็ต้องหาทางที่จะปิดกั้นไม่ให้อารมณ์เหล่านี้นะมาครอบงําจิตใจของเราจะหาทางป้องกันได้ไงก็ต้องรู้เท่าทันมันก็ต้องมันนะตามดูรู้ใจตัวเองนะเหมือนกับจิตใจที่มีผู้จิตใจที่มีเมือนกับบ้านหรือเมืองที่มี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 แต่ลองสังเกตดูนะจะหาคนทุกวันนี้เนี่ยที่จะอยู่กับตัวเองและมีความสุขยยากมากคนส่วนใหญ่นะจะเรียกว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็ว่าได้นะเวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวนี่จะกระสับกระส่ายนะจะต้องหาเพื่อนจะต้องหยุดโทรศัพท์มาคุยจะต้อง อ, า อ, งอ่าไปเที่ยวเตร ไปเที่ยวห้างนะสมัยนี้ก็ต้องจับนะเอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาก้มเล่น Facebook หรือว่าส่งลายเกิดปรากฏการณ์ที่เราสังคมก้มหน้านะขนาดไปไปกินข้าวเนี่ยคอยอาหารเนี่ยเพียงแค่สองสามนาทีห้าทียังคอยไม่ได้เลยนะ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 เราลักกล้องก็อยากอยู่ใกล้ชิดกับกล้องลักพักเครื่องก็เล่นพักเครื่องทั้งวันหรือว่าถ้าลักรถนี่ก็ก็เอาแต่ทะนุถนอมรถนะดูแลรถมีความสุขที่ได้ใกล้ชิดรถแต่เพราะฉะนั้นถ้าลักตัวเองเนี่ยมันก็ต้องอยากก็ต้องมีความสุขที่ได้อยู่กับตัวเอง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 เต็มตัวกับพระ